สมยย้อนกลับไปไม่ช่วงปลายปี2558มีข่าวว่ามีรถบรรทุก10ลอ้อชนท้ายรถบรรทุก10ล้อด้วยกันเหตุเกิดที่สะพานวงแหวนขาลงทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายนั่นก็คือเพื่อนของผมเองหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เพื่อนของผม ถูกตัดขาทั้งสองข้างแล้วนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผมและเพื่อนๆในกลุ่มก็ได้ไปเยี่ยมมันบ้างพอเห็นสภาพมันที่นอนบนเตียงใส่เครื่องช่วยหายใจให้เลือดและที่น่าใจหายที่สุดคือผมมองไปที่ช่วงขาของมันมันมีแต่ความว่างเปล่าโดยมีแค่ผ้าห่มของโรงพยาบาลคลุมไว้เท่านั้นเราในฐานะเพื่อนที่กินเที่ยว เล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กพอมาเห็นมันอยู่ในสภาพนี้ก็รู้สึกหดหูใจเป็นอย่างมากซ้ำแล้วแฟนมันยังหนีไปมีแฟนใหม่อีกในช่วงที่เพื่อนผมนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผมแฟนผมแล้วก็เพื่อนๆที่ไปเยี่ยมก็ทำอะไรไม่ได้มากไปกว่าการให้กำลังใจมันแต่ทุกคนก็ยังปิดเรื่องของแฟนมันอยู่เพราะแค่นี้ สภาพจิตใจมันก็แย่พอแล้วหลังจากที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานกว่าครึ่งปีในที่สุดเพื่อนของผมมันก็เสียชีวิตลงด้วยอายุเพียง30สบเท่านั้นผมและเพื่อนๆนเมื่อรู้ข่าวต่างก็ตกใจและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ใจก็คิดว่ามันหมดเวรหมดกรรมแล้วจะได้ไม่ต้องทรมานอีกายวันถัดมา ศพได้ถูกนํามาที่วัดแถวบ้านเพื่อทําพิธีรดน้ําศพและสวดอภิธรรมผมจําได้ว่าวันนั้นผมต้องทํางานเข้ากะดึกกับแฟนเข้างานตอนสองทุ่มซึ่งก่อนหน้านั้นผมกับแฟนก็ได้ไปรดน้ําศพมันด้วยแต่ไม่ได้ฟังพระสวดซึ่งคืนแรกก็ผ่านไปปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นคืนต่อมาซึ่งตรงกับวันหยุดของเรา ผมกับแฟนก็โทรนัดเพื่อนของผมว่าจะไปวัดกันกี่โมงแล้วเย็นวันนั้นเราก็ไปวัดฟังพระสวดและพูดคุยกันเป็นปกติจนกระทั่งสวดเสร็จทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีขณะที่ผมกับแฟนกําลังจะขึ้นรถก็มีเพื่อนผมอีกคนหนึ่งทักขึ้นมาว่าจะกลับอะไม่ไปจุดทูบบอกมันเหน่อยแล้ววะผมก็เลยบอกไปว่ากูจุดทูบบอกมันแล้วตอนกูมา มันคงรู้แล้วแหละคงไม่ต้องจุดแล้วผมพูดแค่นี้แล้วก็เดินขึ้นรถกับแฟนเพื่อขับกลับห้องเช่าซึ่งอยู่ในละแวกนั้นไม่ไกลจากวัดสักเท่าไหร่พอมาถึงห้องก็อาบน้ำแล้วมานอนดูทีวีบ้างเล่นมือถือบ้างโดยที่เราสองคนไม่ได้คุยเรื่องเพื่อนผมเลยเพราะผมกลัวปกติแล้วผมจะเป็นคนนอนดึกส่วนแฟนก็จะหลับก่อนตลอด แต่คืนนั้นผมรู้สึกเพลียด้วยที่ว่าเราออกกลับมาตอนเช้าตอนบ่ายเราก็ตื่นมาหาอะไรกินตกเย็นเราก็ไปงานศพก็เลยหลับกันไปตอนไหนก็ไม่รู้เมื่อรู้สึกตัวทีก็เช้ามืดอยูๆ่ๆแฟนก็พลิกตัวมากอดผมแน่นผมรู้สึกอึดอัดเลยถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแฟนก็เงียบไม่พูดอะไรผมก็งง แต่ด้วยความง่วงมากก็เลยนอนต่อจนกระทั่งช่วงสายของวันนั้นเราก็ตื่นนอนเตรียมจอกไปหาอะไรกินกันแฟนก็แต่งตัวไปผมอาบน้ําเสร็จก็เดินเข้าห้องมาผมก็ถามแฟนอีกครั้งว่าเมื่อคืนเป็นอะไรแฟนหันมามองหน้าผมแล้วก็ทำหน้าเหมือนกับว่าไม่กล้าที่จะเล่าให้ฟังเพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนกลัวผีอยู่แล้ว แต่ผมกลับชอบฟังเรื่องพวกนี้ผมจึงพยายามขอให้เธอเล่าจนเธอยอมเล่าในที่สุดตึกที่ผมเช่าอยู่จะมีอยู่สี่ชั้นระบบประตูทางเข้าตึกจะต้องเปิดด้วยคีการ์ดเท่านั้นทางขึ้นก็จะมีสารเจ้าที่ตายายอยู่ผมพักอยู่ชั้นสในสุดขวามือชั้นหนึ่งจะมีประมาณ1 1ดห้องรวมทั้งสองฝั่งแล้ว ด้านหน้าห้องจะเป็นบานเกล็ดสองบานถัดมาก็จะเป็นประตูห้องพอดันประตูเปิดเข้าห้องมาปุ๊บทางขวาจะเป็นเตียงขนาดห้าฟุตทางซ้ายจะเป็นตู้เสื้อผ้าก็จะเลือทางเดินไม่มากนักถัดจากตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นโตคอมแล้วถัดไปก็จะเป็นโตพระแฟนผมได้เล่าว่าเมื่อคือนเธอนอนไม่ค่อยหลับก็เลยพลิกไปพลิกมา จนกระทั่งค้อยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้สึกตัวตื่นอีกทีก็ประมาณตีห้าแล้วแต่ด้วยความง่วงบวกกับความเพลียก็เลยเคลิ้มหลับต่อแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินขยี้ถุงพลาสติกเดินไปเดินมาวนเวียนอยู่หน้าห้องประมาณ3 4ถึงรอบตอนนั้นแฟนผมก็นอนฟังสักพักเสียงถุงพลาสติกก็เงียบไป แล้วก็มีเสียงบิดลูกบิดประตูดังขึ้นแต่มันเปิดไม่ได้ห้องถูกล็อกจากด้านในหลังจากเสียงบิดลูกบิดประตูเงียบไปสักพักก็มีเสียงคนตะโกนมาไกลๆว่ากูไปแล้วนะเว้ยสองคนดูแลกันให้ดีๆนะแฟนผมบอกว่าเขาจำได้แม่นเลยว่า เป็นเสียงเพื่อนของผมเสียงมันจะเล็ก ๆ, ๆแหบๆแห้งๆตอนนั้นแฟนผมเริ่มกลัวแล้วรู้แล้วว่าตัวเองกำลังเจอกับอะไรหลังจากสิ้นเสียงเพื่อนผมที่มันตะโกนบอกแฟนผมก็บอกว่าเห็นผมที่นอนอยู่ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งข้ามตัวเธอไปเปิดประตูออกแล้วหันมาพูดกับแฟนว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลย แล้แฟนก็บอกจะเปิดทําไมปิดประตูเดี๋ยวนี้ขณะที่ในตอนนั้นแฟนผมเห็นผมกําลังจะปิดประตูเธอก็มองลงไปที่พื้นแล้วเห็นเพื่อนผมนั่งอยู่ในสภาพที่ไม่มีขาโดยที่มันใช้มือทั้งสองข้างพยายามตะเกียกตะกายยกตัวมันเองไถมาเพื่อที่จะเข้ามาในห้องแฟนผมถอยหลังไปจนสุดประตูหลังห้อง แล้วก็ร้องไห้เพื่อนผมก็มาหยุดอยู่ที่ข้างเตียงแล้วเธอก็พูดขึ้นว่าไปสู่สุคติเธอกูสองคนอยู่ได้กูกลัวแล้วแล้วเพื่อนผมมันก็ยิ้มจากนั้นแฟนก็สะดุ้งตื่นแล้วมากอดผมแน่นหลังจากเสร็ จ, จา ก, การเผาศพผมกับกลุ่มเพื่อนก็นั่งคุยกันจนหัวค่ำแล้วเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมัน ผมเองก็กลับห้องกับแฟนหลังจะมาถึงห้องเราก็อาบน้ำนอนดูทีวีเล่นมือถืออีกเหมือนเดิมแต่ในคืนนี้ในใจของเราทั้งสองคนนั้นก็คงยังกลัวกับเหตุการณ์ที่แฟนผมได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนนี้โดยปกติแลว้วแฟนผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวผีแต่คืนนี้แฟนบอกให้ผมนอนริมนอกส่วนเขาจะแลกที่ไปนอนติดชิดกาแพง ด้วยความที่ผมเป็นผู้ชายผมก็ต้องเสียสละให้แฟนได้สบายใจผมนอนริมนอกและเมื่อนึกถึงเรื่องที่แฟนเล่าให้ฟังแล้วมันเหมือนกับว่าผมมองเห็นภาพนั้นหมดทุกอย่างมันทำให้ผมจินตนาการไปต่างๆนานาและนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นคืนนี้พวกเราเปิดไฟนอนด้วยทีวีก็เปิดทิ้งไว้ พคิดว่าแสงไฟกับเสียงทีวีน่าจะทำให้บรรยากาศไม่เงียบวังเวงจนเกินไปผมพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นพอดูนาฬิกาก็ตีสามแล้วพยายามข่มตานอนจนในที่สุดก็เคลิมหลับไปผมมาตื่นอีกทีก็ตอนเช้าพอตื่นมาแฟนผมก็ถามว่าเมื่อคืนเธอนอนตอนไหนผมก็ตอบไปว่า ประมาณตีสานอนไม่ค่อยหลับแฟนก็บอกว่าแล้วได้ยินเสียงคนเคาะประตูหลังห้องไหมเคาะเสียงดังมากเคาะสามครั้งแล้วก็เงียบไปผมถามไปว่าได้ยินตอนไหนแฟนบอกว่าประมาณตีสามกว่ า, วาผมจึงคิดว่าเพื่อนผมมันคงมาอีกแล้วแฟนผมเธอนอนไม่หลับเลยทั้งคืนเพื่อความสบายใจ ผมก็เลยชวนเธอไปนอนบ้านพ่อกับแม่ของผมรอให้เรื่องนี้ผ่านไปสักพักค่อยกลับไปอยู่ห้องเช่าหลังจะคุยกับแฟนว่าจะมานอนบ้านพ่อกับแม่เราก็เก็บเสื้อผ้าของใช้รวมถึงชุดทำงานไปกันซึ่งบ้านผมจะอยู่ห่างจากห้องเช่าที่ผมอยู่ประมาณ4กิโลเมตรเมื่อมาถึงบ้านก็เล่าให้คนที่บ้านฟังหลังจากผมเล่าเสร็จ พ่อก็พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนตอนประมาณตีหนึ่งหมาในซอยเหาและหอนกันทั้งซอยตอนนั้นพ่อก็กำลังเคลิมจะหลับก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีคนมาเรียกชื่อพ่อสองครั้งแล้วก็เงียบไปพ่อจำเสียงนั้นได้ดีว่าเป็นเสียงเพื่อนของผมคนที่ตายไปแน่นอนเพราะเพื่อนผมทำงานอยู่บริษัทเดียวกันกับพ่อ เคยไปเล่นบอลด้วยกันแล้วมันก็มากินเหล้าที่บ้านผมบ่อยๆซึ่งพ่อผมก็รู้จักมันดีหลังจากที่พ่อได้ยินเสียงเรียกพ่อก็ไม่ได้ทักหรือพูดอะไรแล้วก็หลับไปจากนั้นก็ฝันว่าพ่อไปเล่นบอลกันกับเพื่อนๆแล้วก็มีเพื่อนผมคนนี้ไปด้วยพ่อบอกตอนนั้นพ่อก็รู้นะว่ามันตายมันเดินมาหาพ่อ เรายื่นกางเกงบอนให้พ่อก็รับมาแต่กางเกงนั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็มีหนองเต็มไปหมดพ่อเลยตกใจสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินดังนั้นผมกับแฟนก็ตกใจมากคิดว่าหนีมาบ้านจะพ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าคืนนี้เราจะเจออะไรอีกหรือเปล่าส่วนเพื่อนคนอื่นๆที่เจอบางคนก็มาเจอบิดลูกบิดประตูบ้าง เจอมาตะโกนเรียกบางล่าสุดเพื่อนที่สนิทกันเจอกลิ่นเนา่าเข้ามาทางช่องแอร์ของรถทั้งทั้งที่ไม่ได้เปิดตัวดูดอากาศเลยแล้วหลังจากคืนที่เผาศพเพื่อนผมคนนี้ไปแล้วเหตุการณ์อะไรแปลกๆ ก, ก็ไม่เกิดขึ้นกับผมแฟนผมหรือคนอื่นๆ อ, อีกเลย See y o